จากท่านพระอาจารย์ฟัน้นจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามเราได้มาอยู่ช่วยงานท่านอย่างใกล้ชิดเพราะสังขารนั้นนับวันจะรุ่งโรยราในการเจ็บป่วยอยู่เสม อ, สมอๆองค์ท่านเองก็ไว้วางใจเรามากให้ช่วยอบรมดูแลภิกษุสามนเณรที่สำนักสงฆ์ถ้ำขามอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครต่อมาเมื่อธาตุขันของท่านพระอาจารย์ปั้นดีขึ้น เราจึงมาพักที่ถ้ำสีแจ้วเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่สัปปายดีเป็นดงช้างดงเสือน้ำใช้ดีมีสัตว์ป่าเยอะเป็นปา่างสงวนจากนั้นได้กลับไปขอโอกาสกาบเรียนท่านพระอาจารย์ฟันว่าหลวงปู่ครับผมเจอสถานที่ดีมีสัปปายาธรรมเป็นกึ่งกลางภูพานพอดีหมู่เพื่อนขึ้นมาจากทางด้านใต้ก็มาพักได้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 แห่งการถือมงคลตื่นข่าวข้ามพ้นกิเลสเทียมแอะที่ผูกสัตว์ไว้ในพบไปเสียได้ย่อไม่กลับมาเกิดอีกประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาผู้มัวคํานวณ น, นับเลิกอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทําอะไรได้บุคคลประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีเป็นเช้าดีอรุณดี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 เบียเดเบียนข่มเหงรังแกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมีชอบตลอดจนพวกติดอบายยมุกต่างๆให้บังเกิดความสำนึกตนและและเว้นเวรกรรมอันเสียหายเป็นผลสำเร็จมามากต่อมากความตรากตรำในการแผ่บารมีธรรมของท่านพระอาจารย์ฟั้นนี้เองเป็นมูลเหตุสำคัญให้ท่านเกิดอาพาธอย่างฉับพลัน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 ได้เกิอดอาการโรคแทรกซ้อนขึ้นอย่างรุนแรงและกระทันหันท่านจึงต้องทิ้งธาตุขันของท่านไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีณบัดนี้พระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ารูมหนึ่งคือท่านพระาอาจารย์ปั้นอาจารโรผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรม แต่กระทําที่สุดแห่งทุกและสังขารขันผลโลกดับสูญไปแล้วที่เหลืออยู่ก็แต่รอยแห่งเมตตาบารมีทมอันสูงส่งของท่านซึ่งจะจารึกอยู่ในความทรงจำของบรรดาสานุสิตและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างไม่มีวันลืมเลือนก่อนงานพระชจาทานเพลิงศพในวันที่20สมกราคมพุทธศักราช2521พระอาจารย์สุวัต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 ติดต่อในอำเภอเพราะท่านคาดการว่าผู้คนจะหลั่งไหลมาจากที่สารุทิศคณะกรรมาการทุกคนตลอดจนพระเนนก็มีความเห็นว่าต้องเอาศพท่านพระอาจารย์ฟั่นไว้ภายในวัดพระอาจารย์สุวัส์จึงเป็นพระหัวเดียวกระเทียมรีบแต่โดยที่สุดแล้วเมื่อมหาชนหลั่งไหลมาจากที่สารุทิศสถานที่ที่เคยกว้างขวางกับคับแคบไปถนัดตาจึงต้องทําตามวิธีที่พระอาจารย์สุวัสด์คิดไว้หมด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 เหมือนกับครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่พูดไม่สอนอยู่อย่างไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วท่านก็มรณภาพไปมีหลายองค์ส่วนมากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่บันไปรู้จิตมันถอนก็ไม่ใช่นอนไม่ใช่นั่งกําลังเดินจะถึงกุติคือจุดปัญญามันจะพอตัวของมันขอมันปรากฏของมันมันอยู่ตรงไหนก็ได้กลางบันก็ได้กลางคืนก็ได้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 เป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นหรือไม่พิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ถูกพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าพิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นในเรื่องนี้บุรุษนั้นเมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วมีความดลลั่งรว่าแผนี้มีอุปการราแกเรามากแท้ทากะไร เราพึงยกแผ่นี้ไว้บนบกหรือผูกให้ลอยน้ำแล้วจึงไปตามปรารถนาบุรุษผู้นั้นกระทำอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแผ่นั้นนี้ฉันใดทมก็อุปมาเหมือนแผ่เราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ข้ามไปไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือไว้ฉันนั้นภิสษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรม อันมีอุปมาเหมือนแพรที่เราแสดงแล้วพึงละเสียแม้ซึ่งทำทั้งหลายจะป่วยก่าวไปใหญ่ถึงอธรรมเล่าภิกษุทั้งหลายทิฏฐิคือทิศดีหลักการและความเข้าใจธรรมที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ขุดพ่องอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายยังยึงยดติดอยู่เริงใจกระยิ่มอยู่ยึดถือว่าเป็นของของเราอยู่เือทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม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 ตั้งแต่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์ไทยในปีพุทธศักราช2525เพื่อไปเผยแพร่ศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติาศาสนจิตนี้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการสร้างวัดภูริสตะวานารามและวัดเมตาวานารา ม, มรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบอย่าง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 จังหวัดบุรีรัมย์เพราะท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่สัตว์ปายะรรมมีป่าเขาโดยรอบมีสัตว์ป่านาน า, นานชนิดควรแจ ก, การเจริญวิปัสนากรรมฐานอีกทั้งบริเวณวัดนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าในสมัยโบราณกาลในการต่อมาเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2539 พระจารย์สุวัสด์ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลวงตามหาบัวได้ทราบเรื่องท่านจึงได้เทศนา ร, รมเรื่องจิตท่านสุวัสด์อันเป็นการชมเชยรับรองในคุณธรรมของพระจารย์สุวัสด์ว่าจิตท่านสุวัสด์ก็เป็นพระสุปฏิปันโนขะุชุยายะสามีจิปฏิปันโนเป็นพระเอสาพระวโตสาวกสังโฆได้ ท่านสุวัตนี้องค์หนึ่งถึงตายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากิตบริสุทธิ์ซะอย่างเดียวตายแบบไหนตายแบบไหนก็คือความบริสุทธิ์ล้วนๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตายในป่าในเขานั่นแล้วพระกรรมฐานตายในป่าในเขานั่นแหละเหมาะสมหลวงตามหาบัวตายใครอย่ามายุ่งไม่ได้นะบอกไว้ชัดๆเลยใครมายุ่งไม่ได้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 ิสุท์ทั้งหลายผูุ้ชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ผูกทุก เ, เวทนากระทบเข้าแล้วย่อมเศร้าโศกคร่ำครวญร่ำไห้รำพันตีอกร้องไห้ลหลงไหลฟั่นเฟือนไปเขาย่อมเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงบุุษ ด, ด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้วยิงซ้ำโดยลูกศรดอกที่สองอีก เมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่าเสวยเวทนาเพราะลูกศรทั้งสองดอกคือทั้งทางกายทั้งทางใจฉันใดปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่าเสวยเวทนาทั้งสองอย่างคือทั้งทางกายและทางใจภิกษุททั้งหลายฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วย่อมไม่เศร้าโศก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 ผู้ได้เรียนรู้ก็ฉันนั้นย่ำสเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียวไม่สเสวยเวทนาทางใจพิสูจน์ทางหลายนี่แลเป็นความพิเศษเป็นความแปลกเป็นข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วกับกุฏิชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ท่านพระอาจารย์สุวัสวิ์โจเป็นพระที่รักสันโดษโดดเดี่ยวเปเลกวิเวก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 ท่านจะเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ขึ้นรถคู่หูของท่านก็คือพระอาจารย์อินตาไปทุ่ดงที่ไหนมักจะไปด้วยกันถูกอัธยาศัยกันเหมือนท่านพระาอาจารย์ปั้นอาจาโรก็มีสหธรรมิกไปทุ่ดงที่ไหนท่านมักจะไปด้วยกันก็คือพระอาจารย์อ่อนยานสิริท่านพระอาจารย์สุวัตได้ทาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถึงที่สุดแล้วสมเป็นพุทธสาวกแล้ว ไปนำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศกังวานไกลถึงต่างแดนเป็นที่เลื่อมใสของชาวต่างชาตินับว่าท่านเป็นพระธรรมทูต ท, ที่ไปเผยแร่ศาสนาในต่างแดนได้ประสบผลสำเร็จท่านจึงเป็นพระประเภทปาสาะเลคู่ประโมคือสลักความดีลงบนแผ่นหินคือหัวใจไม่มีใครที่จะสามารถไปลบความดีนั้นทิ้งได้ถูกตารึก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 เจ็ดเดือนเจ็ดวันพันษาหกสิบเอ็ดสังขารขันของท่านถูกทิ้งคืนเป็นเพียงธาตุไม่บนโลกเป็นการสละคืนโดยไม่มีเชื้อเหลือโดยแท้แห่งพุทธสาวกผู้หักรานอวิชชาลมได้ย่อมไม่มีวัตตะเพื่อที่จะบัญญัติต่อไปเป็นโอปาติกะธรรมพุทธเกิดปรินิพานในชาติปัจจุบันด้วยอาศัยปฏิปทา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 เสียงธรรมได้ประกาศกล้องทั่วสามแดนโลกธาตุแล้วธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สุวัสวโจแสดงเป่าประกาศแล้วจะแสดงท่วงทานองอันไพเราะด้วยบทเพลงคือไตรรักษนาให้ประจักษ์แจงมวลมนุษย์ผู้หลงตัวได้ตื่นตน้นพ้นขาดเข่าดังโอวาทที่ท่านพร่ำสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าเราคนเดียวเที่ยวรักเที่ยวโกรธ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 และจะตลอดไปเทพม้วนนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์บูชาเนื่องในโอกาสทำบุญครบหนึ่งร้อวันหลังจากการละสังขารของพระอาจารย์สุวัสด์สุวจโจข้อความอันใดที่ข้าพระเจ้าเขียนบรรยายผิดพลาดไปขอท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดถือกติธรรมที่หลวงปู่สุวัสด์สั่งสอนอยู่เสมอว่าถ้าขาดให้ช่วยต่อ ไม่พอให้ช่วยเพิ่มท่าตกให้ช่วยเติมช่วยแต่งต่อให้บริบูรณ์คณะสิทธยานุสิทธิ์14มิถุนายนพุทธศักราช2545